ยละพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศัก ร, ราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหากำไรให้กับชีวิตอะไรคือกำไรของชีวิตกาไรของชีวิตก็คือของที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วเรียกว่ากาไรของชีวิตนะแล้วก็ไม่เอานี่ติดตัวไปด้วย วิธีที่เราจะสามารถได้กำไรไม่ขาดทุนคือไม่ต้องไปใช้หนี้เราก็ต้องทงตามที่พรธเจ้าทรงสั่งสอนอย่าทำตามความอยากของเราความหลงของเราที่สั่งสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้เพราะความหลงความอยากจะหลอกให้เราหาสิ่งที่เราจะไม่สามารถ เอาติดตัวไปกับเราได้นั่นเองของอะไรที่เร า, เาไปกับเราไม่ได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางร่างกายของเหล่านี้เราเอาไปไม่ได้เพราะเมื่อร่างกายตายไปของเหล่านี้ก็กลายเป็นของกลมืนไปทรัพย์สมบัติข้างของเงินทองหามาได้มากน้อยเพียงไร เมื่อตายไปก็กลายเป็นของผู้อื่นไปยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปสรรเสริญก็หมดไปความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายก็หมดไปถ้าเราไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเลยเราก็จะไปแบบขาดทุน เพราะเราจะไปแบบมีหนี้มีสินติดตัวไปเราจะไม่ได้ไปแบบมีทรัพย์สมบัติติดตัวไปเลยเพราะการกระทาของเราในการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขผ่านทางร่างกายเรามักจะไปทำบาปกันนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรมากๆง่ายๆเร็วๆ เราก็มักจะทำบาปกันเช่นโกหกหลอกบวงช่อโกงลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะให้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางร่างกายมาแต่าการกระทำเหล่านี้เราหารู้ไหมว่าเป็นการสร้างหนี้ให้กับเราเราคือใคร เราก็คือดวงจิตดวงใจที่จะเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเมื่อร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปกับดวงวิญญาณที่นี่เราทำอะไรไว้เราก็จะเอาสิ่งที่เราเอาไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษส่วนสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ ก็จะกลายเป็นของผู้ไปของที่เราไปไม่ได้ก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางร่างกายนี่เองแล้วของอะไรที่เราเอาไปได้เราก็เอาบุญเอาบาปไปได้เอาใจที่สะอาดมากขึ้นหรือสกรปรธกมากขึ้นไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเอาไปได้แล้วมันก็จะมีผลต่อการ ต่อการดำเนินชีวิตของเราต่อไปถ้าเราเอาบุญไปเราก็เหมือนกับเอาทรัพย์ติดตัวไปเราก็จะไปไปแบบเศรษฐีไปแบบมั่งมีไม่อดอยากขาดแคลนมีสุขสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการถ้าเราเอาหนี้ไปคือถ้าเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวงเสพสุรายามาเราก็จะเอาหนี้เอาศินไปเราก็ต้องไปใช้หนี้ศินในอาบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิไปตกนรกนี่คือที่จะเราที่จะต้องไปใช้หนี้ต่อไปถ้าเราทําบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในการหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเรามักจะเผลอกันแล้วมักจะต้องไปทำบาปกันแล้วเราก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปแต่ถ้าเราได้มาวัดบ่อยๆเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีสติ มีธรรมะมีคติเตือนใจเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราหากันนี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เราควรจะหาพอประมาณพออยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบไม่ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายก่ายกองเท่ากองเท่าภูเขา ฉันไม่ต้องมีจําเป็นจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่จําเป็นจะต้องมีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวแล้วไม่สามารถที่จะไปกับเราได้ของที่จะไปกับเราได้ก็คือบุญบาปและใจที่สะอาดขึ้นห ร, หรือสะหรือสกปรกขึ้น อยู่ที่สมส่วนนี้ที่เราควรจะให้ความสําคัญเพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดเพราะการกระทําทั้งสามส่วนนี้จะเป็นผลดีต่อชีวิตของเราต่อไปเราทําบุญก็เท่ากับเราสะสมทรัพย์ทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าเรา มีทรัพย์ตายไปเราก็จะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้ไปอยู่ในสวรรค์ถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปใช้กรรมอายบายถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาดได้ภบชาติของเราที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ก็จะน้อยลงไปตามลำดับตามความสะอาดของจิตใจ ถ้าจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่สูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานและเป็นสวรรค์ที่เราไม่ต้องตกลงมาไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพที่ มีการเสื่อมได้ถ้าเราทำบุญละบาปแล้วทำใจให้สงบได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าเราเพียงแต่ทำบุญละบาปเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเราไม่ละบาปเราก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทำละใจกำจัดสิ่งที่เป็น เครื่องสศร้าหมองของใจคือความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้เราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราสามารถทำบุญละบาปและชำระใจของเราได้อยู่เรื่อย ภพชาติของเราในอนาคตนี้จะมีแต่ภพชาติที่ดีเราจะตายไปแล้วเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าเราอยากไปไม่ถึงจุดที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีบุญมีบารมีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสอายุยืนยาวนานสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอาการครบสาสิบสองนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆทำให้มากๆยิ่งทำได้มากเท่าไหร่บุญบรารมีก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้น ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญในระดับต่ำๆก็จะได้ได้ได้เป็นเศรษฐีระดับต่ำๆถ้าทำบุญระดับสูงๆทำบุญมากๆกลับม า, ก, มาก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในแต่ละภพแต่ละชาติเราจึงอย่าไปหลงกับการหา ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองในชาตินี้ให้เหนื่อยยากไปสู้เอาเงินทองที่เราหามาได้นี้มาฝากไว้ในธนาคารบุญดีกว่าคือเอามาทำบุญทาทานและเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพราะเราจะเกิดในตระกูลของมหาเศรษฐี เกิดมาแล้วก็มีเงินทองรอเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเวลาเรากลับมาเกิดนี้เราก็จะกลับมาเกิดในตระกูลของคนยากจนเราก็ต้องมาหากันมาทามาหากินหาเงินห า, นหาทองกันอาจจะได้มากอาจจะได้น้อยแต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าจะได้มา ว่าเราไม่ได้ทำบุญมาในอนดีตนั่นเองดังนั้นขอให้เราจงอย่าหลงกับของต่างๆที่เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ลาบยศสรรเสริญความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจ ของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นมีแต่จะทำให้ต่ำลงถ้าเราหาสิ่งเหล่านี้ด้วยการกระทำบาป mm hmm. ดังนั้นถ้าอย่างน้อยถ้าเรายังอยากจะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาลาบยศเสรเสรหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ mm hmm. ก็ขอให้เราหาโดยวิธีที่ไม่ทำบาป เพื่อเราจะได้ไม่ขัดทุนไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่เราก็จะจะกลับมาเกิดเท่าเดิมได้แต่ถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมเล้วตายไปไปเกิดในอบายพอกลับมาเกิดใหม่เราก็จะเกิดแบบอาภัพวาสนาเราจะ มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบ32ิผิวพรรณไม่ส่องผ่องใสไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอายุยืนยาวนานมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นอันนิสองเป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปใช้บาปใช้กรรมในอบายมาต่างกับผู้ที่ ไปรับผลบุญในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในโลกนี้เราจึงมีคนสองพวกด้วยกันพวกที่มังคั่งพวกที่เต็มไปด้วยบุญมาสนาบารมีแลนะพวกที่อาภัพวาสนาบารมีผลก็เกิดจากการกระทำในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นเองถ้าไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดแบบอาภัพวาสนายากจนแต่ถ้าเราทําบุญละบาปชำระใจของเราอยู่เรื่อยๆเวลาเรากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดแบบผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างทุกภพทุกชาติที่ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ท่านก็จะทำบุญละบาปละชำระใจของท่านอยู่เรื่อยๆการชำระใจก็คือการลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากต่างๆฝืนมันเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปทำตามความโลภเวลาอยากเวลาอยากได้อะไรก็ไม่ไปทำตามความอยากนอกจากเป็นความจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ทำไม่เอามา เวลาโกรธก็จะพยายามข่มใจจะพยายามแผ่เมตตาพยายามไม่จองเวรพยายามให้อภัยนี่คือการชำระใจถ้าเราทําอย่างพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติพระพุทธเจ้าก็ส่งพัฒนาชีวิตจิตใจของพระองค์ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นจนในภพสุดท้าย ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชได้ตัสรู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำตามครรําสอนของพระพุทธเจ้าจากการหากำไรให้แก่ชีวิตดังนั้นขอให้เราอย่าไปสนใจ กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปหาพอประมาณก็พอคือขอให้ร่างกายเรามีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายได้พอมีพอกินไม่อดอยากขาดแคลนไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนทางร่างกายเท่านี้ก็พอแล้วแล้วให้เราเอา เงินส่วนที่เหลือนี้มาทำบุญมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นการทำบุญนี้จะทำกับใครก็ได้ทำกับวัดก็ได้ทำกับนอกวัดก็ได้ทำที่โรงเรียนโรงพยาบาลองค์กรการกุศลต่างๆทำไปเราก็จะได้บุญเหมือนกันคือเราจะได้มีความสุขใจ มีทรา์ติดตัวไปกับเราการที่เราที่เราเลือกทาบุญนี้มีเหตุผลอย่างนี้คือถ้าเราทาบุญกับคนที่มีความรู้มีความฉลาดเช่นเราทาบุญกับพระพุทธเจา้าทาบุญกับพระอาหารหันต์เวลาเราไปทาบุญเราก็จะได้ยินได้ฟังคาพูดของท่านคำสอนของท่าน ซึ่งคำพูดคำสอนของท่านนี้เป็นมีคุณค่ามากกว่าบุญที่เราทำอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะการทำบุญเช่นการให้ทานนี้จะไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี้จะทำให้เรา สามารถตัดพบตัดชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับธรรมะได้รับความรู้ที่จะช่วยทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จำเป็นจะต้องเลือกคนทาบุญด้วยต้องหาคนที่มีธรรมะหาคนที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เพราะถ้าเราไปพบท่านไปถวายข้าวของให้กับท่านท่านก็จ ะ, ะสอนธรรมะให้กับเราเมื่อเราได้รับธรรมะแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกทางแล้วเราก็จะได้ตัดภพตัดชาได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเหตุผลเวลาทำบุญให้เลือกคนทำด้วย เพราะว่าเราจะได้ธรรมะเป็นอของตอบแทนนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราเพียงต้องการทำบุญให้เรามีความสุขใจสบายใจต้องการสะสมทรัพย์เพื่อที่เราจะติดตัวไปในภพชาติต่อไปเราทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวาสก็ได้ทำกับเดลฉานก็ได้ เป็นปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารสัตว์อย่างนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันบุญคือทรัพย์ภายในนี้ทำกับใครก็ได้เท่ากันแต่ถ้าอยากจะได้บุญที่สูงกว่าทรัพย์ภายในคือบุญที่จะทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นทางที่จะนําพาเราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิด เราก็จะต้องหาคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเต็มที่ก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอรลหลันตสาวกรองลงมาก็คือพระอนาคามีรองลงมาก็คือพระสกิดาคามีรองลงมาก็คือพระโสดาบันรองลงมาก็คือพระผู้ ทรงศีลทรงธรรมผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาหาหาความรู้จากการร่ำเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ก็มีความรู้มากน้อยต่างกันไปตามลําำดำับจึงมีคําพูดที่ว่าถ้าทําบุญกับพระธรรมดาผู้ทรงศีลทรงธรรมก็จะได้บุญสิบเท่าถ้าทําบุญกับ พระโสดาบันก็จะได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระสกิดาคามีก็จะได้พันเท่าทำบุญกับพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าทำบุญกับพาาระอรหันต์ก็จะได้แสนเท่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ล้านเท่าเพราะบุญที่เราได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มีต่างกันนั่นเองเพราะ พระแต่ระดับนี้มีความรู้ไม่เท่ากันเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบชั้นประถมจะไม่มีความรู้เท่ากับผู้ที่จบชั้นมัธยมผู้ที่จบมัธยมก็จะไม่มีความรู้เท่ากับผู้ที่จบระดับปริญญาตรีปริญญาตรีก็ไม่เท่ากับปริญญาโทปริญญาโทก็ไม่เท่ากับปริญญาเอก ถ้าเราอยากจะได้ความรู้สูงสูงเราก็ต้องเรียนจากผู้ที่มีปริญญาเอกเราถึงจะสามารถเรียนไปถึงขั้นปริญญาเอกได้<ม>เช่นเดียวกับพระระดับต่างๆพระโสดาบันนี้ก็เพียงแต่ตัดภพตัดชาติให้เหลือได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่ยังต้องกลับมาเกิดอีกยังไม่เกินเจ็ดชาติถึงจะหมด พระสกิดาคามีนี้ก็เหลือเพียงชาติเดียวพระอนาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกต่อไปถ้าพระอารหันต์ก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกไหนเลยพระอนาคารมีนี้ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมอยู่แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ในสวรรค์ชั้นพรมนั้นถ้าเป็นพระอารหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่นิพพานเลย ถ้าเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันต์เราก็จะเข้าไปถึงพระนิพพานได้เลยแต่ถ้าเราเรียนจ ก, กับพระโสดาบันเราก็จะได้พบชาติเทียงเหลืออีกเจ็ดชาติเรียนกับพระสกิรดาคารีก็เหลือพบชาติอีกชาติเดียวถ้าเรียนกับพระอน า, าคารีก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไป นี่คือเหตุผลที่มีคำพูดว่าเวลาทำบุญให้เราเลือกคนเพราะว่าคนที่เราทำบุญด้วยนี้เขามีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันเขามีความดีความชั่วไม่เท่ากันทำบุญกับคนดีกับทำบุญกับคนชั่วนี่ก็มีผลต่างกันทำบุญกับคนดีก็จะสนับสนุนให้คนดีได้ทำความดีมากขึ้นไป การทำความดีก็จะทำให้สังคมอยู่อย่างโล่งเย็นเป็นสุขถ้าเราทำบุญกับคนชั่วคนโกงคนไม่ดีและก็เท่ากับเราสนับสนุนให้เขาไปทำชั่วทำความไม่ดีเพิ่มมากขึ้นการกระทำชั่วทำไม่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายนี่คือเหตุผลที่เวลาเราทำบุญเราบางทีก็ต้องเลือกคนทำ ระหว่างคนดีคนชั่วถ้าเราต้องเลือกเราควรจะเลือกใครแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมคือเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตของเขาแม้แต่คนชั่วเราก็ต้องช่วยเขาอย่างเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้แล้วผู้ร้ายถูกยิงบาดเจ็บอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังต้อง เอาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเอาไปดำเนินคดีต่อไปเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความเมตตาของของมนุษย์ที่พึงจะมีต่อกันไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วเช่นเวลาเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเราก็หาข้าวหาของไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเราก็ไม่สนใจว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี เพราะตอนนั้นเราคํานึงเพียงแต่เรื่องมนุษยธรรมคือความเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือให้เขาได้ไม่ต้องมาทุกข์ยากลาบากมากจนเกินไปดังนั้นการทำบุญจึงมีหลายลักษณะด้วยกันหลายเหตุหลายผลด้วยกันอยู่ที่ความจำเป็นอยู่ที่เหตุผลและอยู่ที่ความต้องการของเรา ถ้าเราต้องการได้ธรรมะได้คําสอนเราก็ต้องมาทําบุญที่วัดกันเพราะเวลามาทําบุญที่วัดแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทําให้เรามีหูตาที่สว่างขึ้นมีดวงตาเห็นธรรมที่จะทําให้เราเดินไปในทางที่ห่างไกลาจากความทุกข์ทั้งหลาย ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดเราก็มักจะเดินเข้าหากองทุกข์แทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์กันเช่นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะวันนี้เราก็จะหลงเดินไปกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญกันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นการเดินเข้าหากองทุกข์กัน เพราะอะไรจึงเป็นกองทุกข์ก็เพราะว่าราบยศสระเสริญความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีดับได้มีเจริญขึ้นได้มันก็มีเสื่อมได้เวลาเกิดขึ้นเวลาเจริญขึ้นก็เราก็ดีอกดีใจมีความสุขเช่นเวลาเราได้ราบยศสระเสริญได้ความสุขต่างๆเราก็ดีอกดีใจกัน แต่เวลาที่เราสูญเสียลาบยศเสริญสูญเสียความสุขทางร่างกายไปเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาได้นี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีแสงสว่าง ไม่มีคำสอนของพ่อพระพเจ้าถ้าเรามีคำสอนเราจะรู้ว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวและเป็นของที่ไม่แน่นอนจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้วันดีคืนดีคู่รักของเราคู่ครองของเราอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามาพอามภาะไปก็ได้ หรือตายไปจากเราไปก็ได้หรือวันดีคืนดีแล้วอาจจะหมดเนื้อหมดตัวก็ได้ข้าวของเงินทองที่มีอยู่มันจะหายไปก็ได้อันนี้เราไม่รู้กันเราไม่คยคิดกันเราเพียงแต่คิดว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะอยู่กับเราไปตลอดแต่พอมันเกิดขึ้นมาเกิดมันจากเราไปเวลานั้นเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรา รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนเราก็จะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วเรามาหาความสุขจากสิ่งอื่นดีกว่าก็คือมาหาความสุขตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองก็คือให้เราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดแล้วเราจะมีความสุขภายในใจของเราที่เราจะได้ไม่ต้องไปอาศัย สิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสุขใจแล้วเวลาลาบยศะะเสริญเวลาความสุขทางร่างกายเสื่อมไปจะไม่กระทบกระเทือนใจเราเลยใจเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะไม่เสียอกเสียใจจะไม่เศร้าโศกนี่คือสิ่งที่เราต้องการกันเวลาเรามาที่วัดกัน เราต้องการมาหาความจริงเพื่อจะได้เอาความจริงนี้มาพาชีวิตของเราให้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลอย่างแน่นอนอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อของเราว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเราจะเชื่อคนตาบอดอย่างตัวเราถ้าเราเชื่อตัวเราเราก็จะต้องเดินไปพบกับความทุกข์ต่อไปอยู่เรื่อยๆเดินไปกับก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะเดินห่างไกลจากกองทุกห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอด อันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาทำบุญในวัดทาบุญกับพระพุทธศาสนาจึงขอฝากให้ท่านจมน้อมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ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 เก so, pues ิดปัจจุบันใจกว้างรู้ทุกสิ่งทางอยาวลว้าวาระปพูสิชาิวเรืตตาตาปการตังปตา